บุกทูสามสิบสี่เซาทีสาทีสบนรถไฟเทรนเเรนมดเนั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมคะฮิเบอร์ลินสัตวิเทรนอะ ฮีเบร์ลินซ่าที่เทรนอะเหระรถไฟออกเมื่อไหร่คะฮีเทรนกะดีสุดเตะฮีเทรนกะดีสุดเตรถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่คะเทรนเบอร์ลินละกะดีเอตเตะเทรนเบอร์ลินละกะดีเอเตขอโทษค่ะดิฉันขอผ่านหน่อยได้ไหมคะมาฟกกระอะ มี पुढे जाऊ का? าाูก र ाมी पुढे जाऊ क ีพูดให้เจ้ากะดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของดิฉันค่ะ म ल ा व ाัตเตीิสีต์มาจียาเฮมาลิตมาดิฉันคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของดิฉันค่ะ म ल ा व ाัตเตหิอปันมาจหาสีตวร์บัाเลียหัมาลสีตวลหั ตู้นอนอยู่ขบวนไหนคะสลิป p e r c กุดเฮุทเยอาเฮตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ स ् e e p र r Coach े r a n c े a s h าเฮ s l e e เและรถเสบียงอยู่ขบวนไหนคะขบวนหน้าค่ะอะไรอาหารเย็นกุดเ อニ่บุญญญาณคูเทียเหศูรบัติลาดิฉันขอนอนข้างล่างได้ไหมคะมีขั้วโลหะสุดโต๊ะมีขั้วโลหะสุดเตก้าดิฉันขอนอนตรงกลางได้ไหมคะมีม ध หะโลหต๊ะมีมดหะโลหะสุดเตก้าดิฉันขอนอนข้างบนได้ไหมคะ มีเวอร์สโฮปูชตเราจะถึงชายแดนเมื่อไรร์คดนาไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไรคะ ब บอร์ลินปัณฑิตชะพรाัाสลาिิดตีเวลักตัวเบอร์ลินปัณฑิตชะाรวัสสลาคตีเวลต รถไฟจะเข้าช้าไหมคะ ट ทรนอุชิรा च าลต आहेका ट าเे न उ श ุ र ा च ะซาลต้คุณมีอะไรอ่านไหมคะอพละจั๊วลดวัชรนสัตหีฆ่าเฮก้าอพละจั๊วลดวหีฆ่าเฮก้ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมคะอิทธाข्นย प ป ण นสा स ाีी क ามิ म िชก श क त ก้ อิเทคคาร์แนบิเนสอาทิกกาฮิเมรุฉักระคุณช่วยปลูกดีฉันตอนเจ็ดโมงได้ไหมคะอปนมาลาวาสตาอุทวัลกาอมลาวาตาอุทลก